แต่ทางด้านจิตใจนั้นเครื่องมืออะไรก็ไม่มีชำละแต่สติเนี่ยชำละได้นะชำละใจ <c oughs> ให้เกิดปัญญาสติเนี่ยทำได้เพราะนั้นการจะมาสังเกตดูตัวเรานั้นก็ต้องอาศัยสติสติตามดูตาม ร, ามรู้กายใจเราเป็นเครื่องมือจึงจะเข้าใจชีวิตเขาจึงเรียกว่าการเจริญสติหรือการปฏิบัติธรรม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 เห็นญาติที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญหรือจิตติแล้วสามารถรักษาโรคได้เป็นผู้วิเศษเกิดอิทธิปฏิหารอะไรแบบปลกๆอันนั้นไม่ใช่แนวทางของการจรตตินะเป็นแนวหลงอะ่ะไม่ใช่แนวรู้แนวของการจิตตินี่เป็นแนวรู้อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิอาจจะเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นอาจจะไม่จริงหรอกใช่ไหมเราเห็นเนี่ยเราเห็ตาเลย แต่สิ่ที่ถูกเขียนอาจจะไม่จริงอันนั้นไม่ใช่แนวทางการจริสติการจิสตินั้นคือการใช้สติกลับมาดูตัวเราดูกายดูใจของเราที่มีอยู่เป็นอยู่ต่อหน้าต่อตานในปัจจุบันซึ่งเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ใช้ความคิดหรือเป็นภาพนิมิตเอากายเอาจิตของเราเนี่ยเป็นนิมิตให้ดูใรู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไร เป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรอันนี้จึงเกิดปัญญาแล้วจึงจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ก็ต้องอาศัยสติจเจริญสติมากๆเพื่อให้เกิดปัญญาเอาชนะความทุกข์ในตัวเราได้ทำถึงที่สุดแล้วมันพ้นทุกข์ได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนญาติธรรมเนี่ยทำความเข้าใจเรื่องการเจริญสติเราจะได้นาเอาไปเป็นแนวทาง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 คือการเจตนารู้ลงไปที่กายของเราในอิรลยาบท่างๆอย่างที่เรากาลังนั่งอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากาลังนั่งเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบุญแล้วบุญชั่วขนาดจิตโอถ้าตายไปตอนนี้นิดบางทีไม่เกิดนะบางทีไม่เกิดไม่ใช่ไม่ดีนะนิพพานเลยบางทีไปสู่สุคติด้วย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 เราก็รู้หายใจเข้าเราก็รู้สึกว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกกลืนน้ำลายลงไปในลาคอเรารู้สึกนี่ก็เกณฑการเจริญสติแล้วเนี่ขยับปากรู้สึกว่ากาลังขยับปากโอ้เนี่ยใช้ได้แล้วคือการมีสติตามรู้ลงไปที่กายที่มันกำลังเคลื่อนกาลังไหว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 ถ้าให้เราเกิดปัญญาเราจะเห็นว่ากายเนี่ยเขาแสดงอะไรให้เราดูมากมายร่างกายเนี่ยเขาแสดงอะไรให้เราดูมากมายนะเยดูติดเรานั่งดูเนี่ยเรานั่งสักพักนึงรู้สึกเมื่อยไหมโอ้มันเมื่อยละใช่ไหมความปวดความเมื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขวเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายทุกคนต้องเมื่อยอย่างผมนี่ร่างกายปเป็นอวาอตั้งแต่คอลงไปเนี่ย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 เวลาเขาหิวเขาก็จะบอกแล้วเวลาเขาร้อนเขานาวเขามีโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของกายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันก็แก่ไม่เลิก <c oughs> เราพยายามจะต่อ ต, อตามันก็แก่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราอยู่เรื่อยมองดูกระจกที้วก็แก่ทุกวันนี่เรื่องของกายอไม่ชัานมันก็แตกทําลายไปโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียเนเบียดเบียนกายทั้งนั้นโรคในไม่เคยเบียดเบียนใจนะ มันเบียดเบียนกายแต่ใจเราไปจับเวยว่าเออกายของเราเราก็เลยเป็นทุกข์ไปกับกายนอกจากจะกลายเป็นโรคอย่างเดียวจิตใจก็พลอยเป็นโรคไปด้วยใช่ไหมทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเลยไม่มีใครช่วยใครได้เราจะเห็นว่ากายเนี่ยเขาจะแสดงแสอาการที่เป็นทุกข์ขออกมาเราเห็นมากมายเนี่ยเราเริ่มมีปัญญาเราเริ่มเข้าใจแล้วกายมันต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นละร่างกายไม่เคยมีความสุขกายมีแต่ความทุกข์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 จิตใจเลยต้องไปทุกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรื่องของกายนะรักษากันไปรักษากายไปแต่วางใจไว้ว่าออหายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรใ่ไหมใจเราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเดี๋ยวนี้คนเราเป็นทุกข์มากเรื่องการรักษาโรคไปก็เจ็บอยากให้มันหายเพราะมันไม่หายก็เป็นทุกข์บางคนไม่อยากไปหาหมอ กลหมอจะตรแล้วเจอโรคหนีตัวเองหนีความจริงเป็นไหนไม่กล้าไปหาหมอนะไปหาหมอเดี๋ยวหมอเจอโรคทัางที่มีอาการที่เจ็บป่วยย่ำแย่แล้วถามไปทำไมาบอกไม่อยากไปหาหมอเดี๋ยวหมอเจอโรคมากกว่าที่กำลังเป็นเจออีกหลายโรคจนกระทั่งเ็าเรียกว่าเพียบแปะแล้วจนหมอรักษาไม่ได้แล้วไปหาก็หมอช่วยอะไรไม่ได้แล้วต้องทาใจแล้ว เพราะนั้นเวลามันเกิดทุกขเวทนาทางกายเนี่ยให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของกายต้องแบ่งแยกอ๋อใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์แม้ร่างกายจะกระสับกระส่ายกับความทุกข์ใจก็อย่าเป็นทุกข์นี่ยคือการปฏิบัติธรรมใจที่ไม่เป็นทุกข์นั้นคือใจต้องมีสติมีสติรักษาใจิตให้เป็นปกติมันเรื่องของกายไปนะถ้าจิตที่เป็นปกตินี่มันช่วยกายได้นะช่วยร่างกายได้ ทุกเวทนารุนแรงเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ทนได้ถ้าร้องให้อดครวญกับความทุกข์ทางกายเนี่ยมันเพิ่มไม่ทุกเวทนาเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่มีประโชน์อะไรเข้มแข็งอดทนอ๋อไปเรื่องธรรมดาเวทนานี่ก็ไม่เที่ยงจะเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาถ้าเรามีสติเฝ้าดูมันอยู่เดี๋ยวมันก็อย่างเช่นปวดฟันนะเวลามันปวดเนี่ย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 เราจะเห็นว่าอ๋อใครเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้คิด <c oughs> มีปัญหานะถ้าเราไม่มีสติรู้ในความคิดแล้วก็จะสร้างปัญหาให้กับชีวิตรเรามานั้นลองฝึกฝึกเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้รู้เฉยเนี่ยรู้เฉยไม่ต้องบังคับรู้ธรรมดาเนี่ยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เวลามัน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 จะเจริสติยันสว่างเลยเดี๋ยวมันก็หลับนะเอาข้อจริงมันก็หลับแต่เราไปคิดต่อต้ามันเนี่ยมันไม่หลับเลยรู้ทันอ๋อเนี่ยจิตมันคิดฟุ้งซ่านนะจิตมันสงสัยอะไรก็ตามที่มันเกิดความคิดม้นให้มีสติรู้เฉยๆจะได้ปัญญาจิตมันจะไม่เครียดขณะทำงานถ้าแอบดูจิตซะบ้างเนี่ยจิตมันจะมีการพักผ่อนเป็นขณะขณะ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 หน้าคนคนเดียวกันเนี่ยตอนเช้ารักตอนบ่ายเปลียนก็มีนะเกิดความกลัวเห็นไหมทุกคนต้องกลัวบางทีไม่รู้กลัวอะไรนะแต่มันกลัวกันแล้วกันกลัวความมืดความมืดไม่น่ากลัวหรอกตื่น่ากลัวคือกลัวความมืดใจคิดกลัวเนี่ยถ้ามีสติรู้วันกลัวเนี่ยความกลัวจะลดระดับลงเดี๋ยน้อยเราไม่ได้เข้าไปกลัวร้อยเปอร์เซ็นเราเกณฑ์เป็นเพียงแค่ผู้เห็นผู้ดู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 โอ้เห็นใจเพื่อนเอาเงินให้เพื่อนขอยืมให้เพื่อนขอยืมไปเป็นจำนวนมากสองปีแล้วเพื่อนยังไม่คืนโทรศพัพท์ทวงถามเพื่อนบอกว่าเราไม่โกงแต่เราไม่มีโอ้นอนไปทุกมากก่อนจะนอนต้องคิดถึงเงินจานวนนี้แล้วก็ไม่หลับวันทั้งวันไม่คิดนะทำงานเพลินแต่กอ น, นอนคิดถึงเงินก้อนนี้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 เราจะแบ่งเบาภาระให้ท่านได้อย่างไรบ้างนอกจากว่าเราพยายามช่วยตัวเองผมพยายามช่วยตัวเองหลายอย่างอยู่มาวันหนึง่งเราคิดว่าเออสิ่งที่เราจะช่วยแม่ได้นะ เ, นเวลากลางวันเนี่ยผมจะเอากระติกน้ำกระติกน้ำผมจะมีหูเอาไปวางใกล้ๆกับกาน้าผมจะดื่มน้ําอุ่ น, นผมก็จะพยายามยกกาน้าแล้วก็เทใส่กระติกจะทาเองคิดว่าทาได้ วันแรกก็ลองเลยตอนนี้ว่ากาดน้ํามันอยู่ข้างล่างผมก็เลยเอากรติกน้ํำามาไว้ด้านข้างผมเนี่ยแล้วก็ยกกาดน้ําจากข้างล่างขึ้นมาปกติกาดน้ําเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากแต่วันนั้นเนี่ไม่ทราบว่าเข้ากาดน้ำเนี่ยไปตั้งไฟตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขายกลงสายจนเกินไปพอตอนสายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยปกติมันจะอุ่นนะอันนี้คงจะสายมากมันจึงไม่อุ่น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 เราไปเชื่อความคิดไปเชื่อความคิดคิดว่าเราทำได้ขณะมีสตินะั้นแต่ก็ไปเชื่อความคิดเราลืมประมาทลืมดูความสามารถของตัวเราแต่ก็ดีนะเป็นบทเรียนสอนใจเรียกผิดเป็นครูไนงะยกความผิดให้ครูไสอนเราอ้อนี่เราไม่ควรทำนี้นะต่อไปเลยจึงเกิดการระวังไม่มีครั้งที่สองผิดครั้งเดียวครูตีครั้งเดียว เชื่อฟังอันนี้คือการเชื่อความคิดเพราะเราเชื่อความคิดเราก็คิดแล้วก็ทําตามความคิดและผลออกมาบางทีมันก็มีถูกเพราะฉะนั้นพอคิดแล้วเนี่ยให้มีสติไข้กวนสะก่อนทําดีไหมเนี่ยมืนที่ต้องเรอโอกาสสําคัญมากความคิดการเจริญสติเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อรู้ทันความคิดมืสติเพื่อรู้ทันความคิ ด, เ พ, คคดเพราะความคิดนําเหตุเปงความทุกข์มาให้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 เลอกคิดเตียหยุดความคิดแต่ให้รู้เฉยๆอ๋อมันคิดมาอ๋อสติรู้เฉยๆไม่ต่อตา้านไม่ขจัดแล้วไม่ปรุงแต่งต่อเติมรู้เฉยๆความคิดก็จะดับไปเองสติเนี่ยเห็นอย่างน้นนะเกิดปัญญาเห็นความคิดดับต่อหน้าต่อตาเลยก็พ้นจากความคิดเมื่อความคิดไม่ปรุงแต่งจิต จิตมันก็บริสุทธิ์ผ่องใสนะไอ้ที่จิตเรามันเศร้าหมองเพราะเราปรุงแต่งมาแต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งรู้เฉยๆเนะี่ยจิตก็เป็นความผ่องใสของจิตเลยซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วในคนทุกคนจิตทุกคนเนี่ดีอยู่แล้วจิตทุกคนดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ดีนะคือนิสัยของเราชอบไปปรุงแต่งต่อเติมทลายมากๆเพราะว่าของความสดชื่นเบิกบานจึงไม่ปรากฏตัวขึ้น อย่างเช่นว่าทุกคนเนี่ยบางคนนะเนี่ยหน้าตาสวยอยู่แล้วนะแต่พอไปแต่งหน้าเข้าเนี่ยโอ้กลายเป็นพอกหน้าเป็นมะเขือเทศไม่สวยเลยนะบางคนสวยอยู่แล้วไปแต่งหน้าอ่ากลับไม่สวยอาบน้ําสะอาดอยู่แล้วไปแต่งทาแป้งต่อเติมกลายเป็นไม่สะอาดซึ่งของเก่าดีอยู่แล้วนี่สมมุตินะจิตเราก็เหมือนกันจิตเนี่ยเขาดีอยู่แล้ว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 แสดงว่าเขาว่างอยู่ก่อนผู้ฟังนี่มาเนี่ยทำให้ห้องไม่ว่างนะเนี่ยทำให้ห้องไม่ว่างแต่ไม่ช้าหรอกเดี๋ยวห้องนี้ก็ว่างเถอะไหมเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงมาแอบดูใหม่ห้องนี้คนกลับหมดแล้วเลยแต่ห้องเนี่ยเหมือนจิตใจเราเนะจิตใจเราก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่มีความคิดปรุงแต่งผ่านมาและเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการปฏิบัติธรรมคือรักษาของเก่าให้เป็นของเก่า <c oughs> มันจะได้เป็นเก่าลายคราม อันนี <céu> ้คือการมีสติรู้จิตรู้ใจเราเมื่อเราเจริญสติมากๆจะเกิดปัญญาภาวะของความสดชื่นผ่องใสก็จะปรากฏตัวขึ้นมาแทนที่ใจมันดีเมื่อใจดีเนี่ยมองอะไรๆก็ดีทั้งนั้นกระทบอารมณ์ก็ดีมองโลกในแง่ดีก้อนอิฐกลายเป็นดอกไม้เมื่อใจดีหน้าที่การงานก็ดีนะ งานที่งานไม่ดีพ่อใจเราไม่ค่อยดีไม่มีใจในการทำงานงานจะออกมาไม่ดีเราดูแลคนไข้ด้วยใจเศร้าหมองคนไข้ก็หมองเศร้าถ้าคนดูแลคนไข้ใจดีคนไข้ก็ใจดีด้วยเมื่อใจดีแล้วการงานก็ดีเมื่อจิตใจดีสุขภาพกายก็ดีด้วยแก่ช้าไม่ค่อยได้ป่วยตายยากมันก็อยู่กับจิตใจทั้งนั้นเลยนะก็เลยจิตเป็นนายกายเป็นเบา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 ใช้ชีวิตอย่างมีสติตามรู้กายรู้ใจยอยู่เรื่อยๆนอนอยู่กับบ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนียผมไม่ได้ไปที่วัดนะนอนปฏิบัติอยู่ที่บ้านมีสติตามรู้กายรู้ใจกายเคลื่อนไหวให้มีสติรู้จิตใจมันคิดให้มีสติรู้ตามรู้ไปอย่างเงี้ยเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยเริ่มเห็นทางเหนึ่งเดือนกับการปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านกับการเจริญสติ เริ่มเห็นทางเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองใช้ชีวิตแบบมั่นใจมีความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาไม่หงอยเหงาช่วยตัวเองสุขภาพจิต ด, ดีมองโลกในแงด่ดีร่างกายก็เลยพลอยดีไปด้วยคุณหมอบอกว่าโอ้อยางเงี้ยคงจะไม่เกินห้าปีแล้วนะอยู่ไปเนี่ยห้าปีเนี่ยอยู่ได้สบายเลย อาจจะต้องเสียชีวิตเพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนมากมายหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วอยู่มาต้องยี่สิบเก้าปีสุขภาพจิต ด, ดีมันช่วยกายนะแล้วดูท่าจะอยู่ไปอีกนานต่ด้วย <c oughs> ไม่มันเป็นอะไรเหมือนคนอื่นเลยคนที่มาเยี่ยมมาเยือนผมก็ลมหายตายจากมามากแล้วมาให้กําลังใจผมป่านนี้ก็ไปมามากแล้วคุณหมอที่เคยรักษาแพทย์ทางเลือกเป็นพระก็มรรภาพจากไปคุณหมอรักษาผมนะ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 ใครเป็นลูกก็ทําหน้าที่ลูกดีที่สุดใครเป็นสามีทําหน้าที่สามีดีที่สุดใครทํางานที่ไหนก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดคือหน้าที่ภายนอกในสังคมแต่อย่าลืมหน้าที่ภายในคือการมีสติรู้เท่าทันมีสติรู้ไปกับการทําหน้าที่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อดับทุกข์ในด้านจิตใจเราจะได้ไม่ต้องทําหน้าที่ข้างนอกแล้วก็เป็นทุกข์ข้างใน แต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยเป็นการปฏิบัติ ท, ทําได้ทุกวันเลยเห็นไหมหน้าที่ข้างนอกหน้าที่ข้างในเป็นบุญการเจรติตสติถือว่าเป็นการละความชั่วทำความดีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นคุณธรรมสติเป็นส่วนรวมเป็นคุณธรรมทั้งหลายเพราะนั้น ถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสติตามดูตามรู้กายจิตเหนื่งแล้วสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองนะฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองแล้วแต่ที่เราจะเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยชีวิตจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยปีใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการเจริญสติเมื่อสติเกิดขึ้นเองแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยจะสบายแล้วความเร่าร้อนใจ ความวุ่นวายใจความทุกข์ใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่กลับมีความสดใสเบิกบานขึ้นมาแทนที่พุทธองค์กล่าวเป็นพุทธภาษิตไว้ว่า <c oughs> เมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศล ธ, ร ร, ธ ร, รรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธร ร, รรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเพราะฉะนั้นปีใหม่ชีวิตใหม่